วันอาทิตย์ที่30กรกฎาคม2538เป็นการบรรยายพะสูตรในสายุตตนิยเรื่องปฏิจจะสมุบาท ต, ตัวอาจารย์สุเทพโพธิสัตว์คาคุณศาสตินที่โพรพรายการพระสูตรวันนี้จะอธิบายสูตรสองสูตรซึ่งมีเนื้อความหลักๆคล้ายกัน สูตรแรกนั้นคือประถมสมณะพรามณสูตรซึ่งเป็นสูตรที่แจกอยู่ในเอกสารเมื่อคราวก่อนวันนี้มีเอกสารอีกชุดหนึ่งอีกสูตรหนึ่งที่ชื่อว่าทุติยสมณะพรามสูตรก็คือสมณะพรามสูตรที่สองเนื้อความส่วนใหญ่จะคล้ายกันก็สามารถจะอธิบายไปได้กันได้ ก็จะเริ่มอธิบายตั้งแต่ประสูตที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระเชตวันอารามของท่านอนาถบินธิกาเศรษฐีกรุงสา ว, วัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกนภิกษุทั้งหลายก็สมณะรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งไม่รู้จักชราและมรณะ ไม่รู้จักเหตุเกิดแห่งจราและมรณะไม่รู้จักความดับแห่งจราและมรณะไม่รู้จักปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่จะให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะไม่รู้จักชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาปัจะสลายยตนานามรูปวิญญาณสังขารถึงเหตุให้เกิดสังขารความดับสังขารปฏิปทาให้ถึงความดับสังขาร สมณะหรือปรามเหล่านั้นจะสมมติว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือสมมติว่าเป็นปรามในหมู่ปรามหาได้ไหมและท่านเหล่านั้นมิได้กระทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์ของความเป็นรมณะหรือประโยชน์ของความเป็นปรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่อันนี้ก็เป็นท่านที่หนึ่งของสูตรนี้ที่กล่าวถึงอบุคคลผู้ที่ไม่ได้รับการสมมุติ ว่าเป็นสมณะหรือพรามด้วยเหตุใดผมว่าจะอธิบายไปโดยลำดับอย่างนี้นะครับจากเริ่มด้วยคำว่าสมณะกับคำว่าพรามที่ปรากฏอยู่ในพุทธพจน์โดยเทียบกับในความหมายดั้งเดิมเราแบ่งความหมายของคำว่าสมณะพรามออกเป็นสองที่ที่หนึ่งก็คือ เป็นความหมายภายนอกพุทธศาสนาที่ใช้กันมาแต่เดิมสมณะเป็นคำเก่าพรามเป็นคำเก่าอธิบายโดยย่อว่าสมณะกับพรามที่ใช้ในความหมายเดิมเนี่ยความหมายไม่ปนกันครับซึ่งผิดกับในพุทธศาสนาเราจะมาใช้ในความหมายปนกันคือพรามเนี่ยเขาแยกความหมายของคำว่าพราม ไว้อย่างหนึ่งว่าได้แก่ผู้ที่เป็นพรามโดยชาติโดยชาติคือเกิดในวันณพรามเรียกว่าเป็นพรามจะเป็นคนดีก็าตามคนชัวว่วก็ตามพรามในความหมายอธิบายของพรามนั้นถือว่าเป็นผู้ที่เกิดจากปากพรลมหรือเกิดจากอกพรลมเรียกว่าเป็นพราม สำหรับสมณะในความหมายของพรามหรือความหมายอย่างแต่ก่อนนอกพุทธศาสนานั้นหมายถึงพวกปฏิเสธพระเวทคือปฏิเสธลัทธิพรามไม่ยอมรับสถานภาพของคนวั น, นะพรามไม่ยอมรับฐานะความศักดิ์สิทธิ์ของคำพีพระเวทจะเลือกว่าสมณะ สมณะเนี่ยพวกพรามเขาก็เรียกอย่างเรียกครูทั้งหกว่าสมณะเรียกพระพุทธเจ้าว่าสมณะครูทั้งหกและพระพุทธเจ้านั้นปฏิเสธพรามณหรือปฏิเสธวันพระพราม์ว่ามีสิทธิพิเศษอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ปฏิเสธลัทธิพราหมณ์ทั้งหมดปฏิเสธทั้งหมดทั้งหมดหมายว่าปฏิเสธว่ามาจาก สมตามลักษณะที่พราหมณ์ก็อธิบายเป็นตูเป็นตาก็เรียกว่าสมปะนี่เป็นความหมายข้างนอก อ, อ, อีกอย่างหนึ่งเป็นความหมายในพระพุทธศาสนาพอมาเป็นความหมายในพระพุทธศาสนานั้นสมปะกับพราหมณ์มักจะใช้คู่กันแต่บางทีก็ความหมายไม่เท่ากันนะเท่าที่ได้ผ่านหูผ่านตามาจนคุ้นเคยเนี่ยผมแบ่งอย่างนี้ครับ ในพระพุทธศาสนาเราแบ่งสมณะกับพรามเป็นสองระดับระดับหนึ่งคือระดับสมมุติพรามสมมุติสมณะสมมุติอีกระดับหนึ่งโดยปรมตภะก็พูดถึงสมมุติก่อนโดยในสมมุตินั้นพระพุทธเจ้าจะตรัสว่าสมณะโดยการบวช โดยการบวชคือใครก็ตามที่โกนหัวผมพระเหลืองถ้าบวชในพุทธศาสนาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นศาสนาะแล้วก็พรามณ์โดยสมมุติเนี่ยท่านก็ถืออนุโลมเอาโดยชาติคือก็เรียกไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าไม่ได้ยอมรับจริงจังตรัสเรียกพราหมณ์คนนั้นคนนี้ว่าดูก่อนพราหมณ์ เป็นการเรียกโดยสมมุติไม่ได้หมายถึงพรามที่เป็นความหมายแท้จริงนั้นพรามดีก็ตรัสเรียกว่าพรามพรามไม่ดีก็ตรัสเรียกว่าพรามพระดีก็ตรัสเรียกว่าสมณะพระไม่ดีก็ตรัสเรียกว่าสมณะนี่เป็นความหมายโดยสมมติสำหรับในความหมายโดยปรมัตัยแล้วสมณะกับพราม มีความหมายบางทีแยกกันนะเอาเป็นผมพูดถึงสมณะก่อนสมณะในความหมายโดยปรมตินั้นท่านหมายถึงพระอริยบุคคลทั้งสี่ชั้นดังที่ตรัสกับอสุพัทธปริภาชกที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนใกล้ปริณิพานว่าสมณะที่หนึ่งสมณะที่สองที่สามที่สี่มีแต่ใน ธรรมวินัยที่มีมักประกอบด้วยองค์แปดและมักประกอบด้วยองค์แปดมีเฉพาะในธรรมวินัยนี้เหตุนั้นสัมณะที่หนึ่งถึงที่สี่จึงมีแต่ในธรรมวินัยนี้สัมณะหนึ่งถึงสี่ก็คืออริยบุคคลสี่ชัน้นและบางแห่งนั้นก็ตราดว่าสัมณะบัวหลวงสัมณะขุมสุขุมารในพวกนี้นะนั่นก็หมายถึงพระอริยบุคคลเป็นพวกพวกชั้นๆไป ก็ได้ความว่าสปนาน้นใช้คลุมอริยะบุคคลทั้งสี่ในขั้นปรมัติส่วนคำว่าพรามคำว่าพรามนั้นจะใช้ความหมายส่วนใหญ่เนี่ยจะหมายถึงพระอระหรันยกตัวอย่างเช่นในอุทธกูปมาสูตรที่เราได้เคยนำ เ, เอามาแสดงกันใน ที่ได้ที่หนึ่งตรัสเหมือนคนข้ามน้ําคนข้ามน้ําก็มีทั้งโดดตอมแล้หายไปเลยโดดตอมแล้วจะเริ่มโผล่ลขึ้นมาและจมลงไปอีกก็เป็นพวกกุฏิชนนะแล้วก็พวกที่โดดลงไปก็ไหายไปแลเห็นฝั่งวางพวกก็ไปถึงริมตะลิงยืนที่ชายตลิงได้ แต่ยังไม่ได้ขึ้นจากน้ำอันนั้นก็เป็นอริยะบุคคลตั้งแต่โ ส, สดาสก า, าทาคาอนาคาเมีเยถึงริมตลิงแล้วส่วนอีกพวกหนึ่งขึ้นฝั่งนงหม่มชำระกล่าวแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยพวกนี้เป็นพรามพรามจึงในที่นี้จึงหมายเป็นผู้ที่ขึ้นฝั่งบางแห่งก็พรามเป็นผู้ลอยบาปความหมายเดิมเพราพรามแปล ว, ว่าผู้ลอยบาป แต่ความหมายทางพุทธศาสนาลอยบาป พ, พูดโดยโดยประม า, าหมายถึงละกิเลสได้ทุกอย่างโดยความเป็นสมุเทเฉตเพราะฉะนั้นพราหมณ์ในความหมายแยกจากสัพณะในกรณีเนี้ก็หมายถึงพระอรหันต์เท่านั้นหมายถึงอรหันต์นี่เป็นส่วนแยกนะฮะแต่ว่าที่ใช้เสมอกันก็มีอยู่ คือทั้งพรามทั้งสณะพูดปนกันอย่างในสูตรนี้เป็นต้นสองสูตรเนี่ยหมายเอาพระอริยะขั้นอรหันต์เป็นเกณฑ์เลยครับสองสูตรเนี่ยเป็นพระอรหันต์เลยแต่ก็อนุโลมถึงอริยะชั้นต่ำด้วยทั้งอรหันต์ตามมาตรฐานของสูตรนี้ท่านตรัสเรียกว่าสมณะและพรามเท่ากัน ท่านที่เรียกว่าใช้คู่กันไม่แยกต่อไปเราดูในแง่ของความหมายของข้อธรรมที่ท่านตรัสในสูตรนี้ตรัสถึง อ, งอริยะบุคคลเนี่ยผู้ที่จะเป็นสมณะรามโดยปรมัตน์คืออริยะบุคคลที่จะได้รับการยอมรับคำว่าสมมตินั้นแปลว่าการยอมรับด้วยดี การยอมรับโดยถูกต้องการบัญญัติโดยถูกต้องสมมติเนี่ยหมายถึงการยอมรับการบัญญัติเรียกอย่างชนิดที่เราเคยพูดกันถึงบัญญัติว่าเป็นวิชมานะบัญญัติวิชมานะบัญญัติคือหมายถึงการบัญญัติตามความเป็นจริงยอมรับตามความเป็นจริงว่าเป็นพราหม เป็นสมณะเนี่ยมีความเป็นจริงโดยปรมัติอยู่ในการเรียกนั้นไม่ใช่เรียกขึ้นมาลอยๆอย่างไม่มีคุณธรรมเป็นเครื่องคำประกันหรือเครื่องรับรองอยู่ในตัวอย่างที่พราหมณ์พูดกันในความหมายของพราหมณ์เดิมอันนี้เรียกว่าสมมุติที่ท้าเรียก่าสมมติในหมายความอย่างนี้ไม่ใช่มาติ้งตังละตามใจชอบน ะ, ะสมมติใดที่สมมติ อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหรือหรืออยู่บนพื้นฐานของปรมัจา์เรียกว่าวิชมานะบัญญัติสมมุติใดที่สมมุติขึ้นหรือแต่งตั้งขึ้นโดยไม่มีพื้นฐานของสภาวะความเป็นจริงรับรองเรียกว่าอวิชมานะบัญญัติพราหม์ในความหมายพุดเป็นวิชมานะบัญญัติพราหม์ในความหมายพรามณ์เดิมเป็นอวิชมานะบัญญัติทีนี้อะไรเล่า เป็นสภาวะรับรองพระผู้มีพระภาคหมายเอามรรคไยานที่บรรลุอริยสัจสี่คือตัศลุอริยสัจสี่นั่นเองแต่ในสูตรนี้กล่าวถึงการบรรลุอริยสัจสีอย่างละเอียดอย่างละเอียดหมายความว่าบรรลพติจจะแต่ละองค์แต่ละองค์งในรูปของอริยสัจสี อย่างชาาและมรนะเนี่ยก็เป็นปฏิจจสมุปบาทองค์หนึ่งการรู้ว่านี่ชาาและมรณะเท่ากับรู้ทุกการรู้ว่าชร า, าและมรนะเกิดจากชาติเท่ากับรู้สมูทยัยชาติเป็นสมูทยัยแล้วก็รู้ความดับคือที่ดับของชร า, าและมลนะ ได้แก่นี้ผ่านนะเท่ากับรู้นิโรธการปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติเพื่อที่จะให้ถึงความดับชรลาและมรณะนั้นเท่ากับรูม้มรรคอันนี้เป็นความหมายอย่างพูดกันอย่างตื้นๆก่อนก็นี้อธิบายในลักษณะร่วมรวบ ร, ร่วมกันไปเนี่ยครับว่าปฏิจจ์ที่ตรัสตั้งแต่ชรามรณะเลื่อยไปจนกระทั่งถึงสังขารแล้ว กระทบไปถึงอวิชชาด้วยนะเพราะว่าอาวิชชานั้นเป็นเหตุให้เกิดสังขารอาวิชชานั้นแสดงในฐานะเป็นเหตุให้เกิดสังขาปรปฏิจจะทั้งหมดเหล่านี้ปฏิจจะองค์ที่มีชื่อว่าชาลาและมลนะแล้วก็ชาตพบสามองค์เนี่ยแสดงอย่างเป็นโล ก, กะวัวหัน อง์ที่เหลือนอกนั้นสแสดงโดยปรมัตถะโวหันตรงนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่พูดกันอย่างในทางลึกลงไปนิดหนึ่งว่าเวลาที่เราอ่านเรื่องทุกในอริยสัจเราก็จะพบว่าในพระสูตรทั้งหลายพระสูตรส่วนใหญ่จะทรงตรัสว่าทุกเป็นไฉนชาติพิทุก ข, ขาเลื่อยไป จนกระทั่งถึงโดยย่อ อ, อุปาทานาาอุปาทานอคติห้าเป็นทุกข์พอมาถึงในหลักอภิธรรมเนี่ยทุกข์คืออะไรหลักอภิธรรมบอกว่าทุกข์ได้แก่โลกียจิตแปดสิบเก้าเิกห้าสิบสองที่ประกอบโลกียจิตรูปยี่สิบแปดชื่อว่าเป็นทุกขะอารัยสัตว์แล้วก็เราก็ฟังดูทั้งสองส่วนเนี่ยก็มีความรู้สึกว่า แสดงอย่างพระวิธรรมละเอียดลึกซึ่งแสดงอย่างวัสูดูตื้นไปแต่จริงๆก็ลึกทั้งคู่แหละฮะแล้วก็เป็นอันเดียวกันซึ่งโดยสรุปเนี่ยหมายความอย่างงี้ทุกที่แสดงว่าชาติพิทุกขาเป็นต้นเนี่ยเป็นการแสดงทุกโดยโลกเกโวโหหานนะฮะทุกที่แสดงว่าปัญจุปาทานาขันธาทุกขาแสดงโดยปรมัตถโหหาน เป็นอันเดียวกันอภิธรรมนั้นกล่าวถึงองค์ธรรมของทุกสัตว์โดยปรมาทัศน์โวหารเท่านั้นแต่เป็นอันเดียวกันทีนี้เวลาคนจะบรรลุอริยสัจสีเนี่ยจะพูดถึงโดยขั้นตอนจะเข้าใจอริยสัจสีในทางเทศนาฏได้โดยขั้นตอนจะเข้าใจได้ด้วยโลกโวหาร โดยการฟังนะสมมติเราบอกว่าเกิดเป็นทุกข์เนี่ยเราจะเข้าใจได้ทันทีแต่ถ้าบอกว่าโลเคียจิตแปดสิบเก้าเป็นทุกข์เนี่ยนึกไม่ออกเลยใช่ไหมเว้นแต่คนเรียนแต่คนกว่าจะมาเรียนเข้าใจตรงนี้ได้ก็ต้องผ่านโลกกโวหารมาก่อนนั่นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแสดงธรรมโดยใช้โลกกโวหารเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าคนส่วนมากเขารู้จักสิ่งเหล่านี้แต่ท่านก็ มาคมวดท้ายด้วยปรมาตโวหารว่าเบนจกขันห้าเป็นทุกข์ขันห้าที่ยังมีอุปาทานมันจึงเป็นเป็นอันเดียวกันนี่นี่คือโดยไ nyaya ของการเทศนาและการฟังตอนนี้มาพูดถึงไ n ย a y ของการปฏิบัติโดยไ nyaya ของการปฏิบัตินั้นคนปฏิบัติวิปัสนาเพื่อเห็นทุกข์เนี่ยก็จะต้องกำหนดโลก โกโดยในของโล ก, กโบหานก่อนนะฮะหมายความว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติผูกพันอยู่กับบัญญัติโดยแน่นอนทุกคนไปถึงเราจะกำหนดปรมาทิตย์ก็อย่างเช่นว่าองค์ปฏิจจะเนี่ยเวลาเรากาหนดชาติชาลามมลนะชั้นแรกเนี่ยเราจะผูกพันอยู่กับสมมติ ว่าชาลาคืออะไรมรณะคืออะไรชาติคืออะไรอย่างที่ทรงนิยามความหมายอย่างสมมุติไว้แต่เมื่อกําหนดลงไปแล้วจึงจะไปถึงชร า, าปารมัตมรณะบระมัตชาติปรมัตภายหลังชาติปรมัตคืออะไรชาาบรมัตคืออะไรท่านก็บอกว่าได้แก่การเกิดเป็นขณะขณะ เรียกว่าชาติการดับเป็นขณะเรียกว่ามรณะนะระหว่างนั้นคือระหว่างเกิดไปถึงถึงการดับเนี่ยเรียกว่าชาราและการเห็นเข้าไปถึงสภาวะขันประมัตินั้นมีผลต่อการคืนคลายกว่าชั้นนอก จะเห็นอย่างชั้นนอกแต่จะเห็นข้างในได้ต้องเห็นข้างนอกต้องอาศัยอย่างนี้มันจึงเป็นเรื่องที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้ให้ให้ถูกขั้นให้เป็นไปตามลำดับขั้นแ่แม้ว่าบางองค์ที่เป็นปรมัตัอย่างเช่นเวทนาเนี่ยเราก็ได้เคยพูดกันในเรื่องอารมณ์ศาสนาแล้วว่าถึงแม้ว่าจะทรงแสดงอย่างเป็นปรมาทหาร แต่บุคคลเมื่อปฏิบัตินั้นก็ยังอดที่จะเอาเวทเอาสมมุติเข้าไปใส่ไม่ได้ต้องพราคบางทีท่านแสดงเป็นปรมาทโวหารแต่คนฟังเนี่ยกลับดึงมาหาหรือนึกเข็นเป็นสมมุติอย่างน่าเกลียดมากเช่นในสูตรก่อนที่เราพูดถึงว่าพระผู้มียภาคได้ทรงแสดงปฏิจจ์โดยเริ่มที่อาหารสี เมื่อทรงตรัสยินยานอาหารทรงตรัสกะว่าลิงกาลาหานตรัสผัดสาหารแล้วพระโมริยะพักผูฟังแล้วถามว่าใครเป็นผู้เสวยเวทนาเป็นผู้กินเวทนาเป็นผู้เสวยเวทนาเืินเวทนาใครเป็นผู้กินวิญญาณเห็นไหมวันนี้ดึงกลับไปหาสมมติในทํา น, นองเดียวกันถ้าพูดกันอย่าง ในเชิงค่อนข้างจะเป็นประสบการณ์ที่เรารู้เราเห็นหน่อยก็คือว่าคนที่กำหนดจิตวิญญาณอยู่นำมาทาอยู่กำหนดแล้วกลายเป็นอะไรต่อมีอะไรอยู่ในนั้นก็เปลี่ยนไปได้นี่คือเรียกว่าทรงสแสดงด้วยววหานอันเป็นปรมัต a t แต่ผู้ฟังชักกลับไปหาสมมุติปัตุประสงค์แล้วก็ถือว่าสวนทางกับการเจศนา แม้ชาลาและมรณะก็เหมือนกันทรงแสดงด้วยสมมุติอยู่แล้วถ้าสมมุติราคนฟังนั้นฟังแล้วก็คิดอย่างเป็นสมมุติก็คิดว่าชาลาเป็นของเราเราเป็นผู้ชาลาชาลาเป็นของเขาเขาเป็นผู้ชาลาเกิดอภิชาเกิดโทมานัน้นี่คือทำสมมุติให้เป็นสมมุติยิ่งขึ้นสวนทางกลับขึ้นมาไม่ลงไปหาสภาวะบรามาัต เป็นเรื่องผิดจิง เ, เดี๋ยวผมจะอธิบายขยายส่วนละเอียดเนี่ยเพราะว่ามันมีสองสูตรก็แบ่งแบ่งไปข้างหลังบ้างเพื่อให้มันดูได้ตัดส่วนกันนะจะฟังแลเป็นจำที่จำใจมากเกินไปเลยไปตรงเลยไปก่อนนะครับผมพูดถึงจุดสำคัญของสูตรนี้ที่ทรงปฏิเสธว่าสมาณะพรามที่พูดพูดกันอย่าง ความหมายภายนอกพุทธศาสนาเนี่ยทรงไม่ยอมรับโดยปรมัตารย์เพราะโดยปรมัตา์นั้นสมณพราหมณ์พวกนั้นไม่ได้รู้อริยสัจสี่ไม่ได้รู้อริยสัจสี่เมื่อไม่ได้รู้อริยสัจสี่ยงไม่ใช่พระอริยะเมื่อไม่ใช่พระอริยะก็ไม่ใช่เป็นสมณพราหมณ์โดยแท้จริง คำว่าสมณะและพรามเนี่ยบาลีเขาใช้อย่างี้ครับใช้คำว่าสามัญญะคำหนึ่งกับพรัมัญพรัมัญญ ะ, มมญญะสามัญญะเนี่ยแปลว่าเป็นสมณะโดยความหมายทางรียกว่าคุณเครื่องเป็นสมณะ พรมมัญญะก็คือเป็นเป็นพรหมนะแต่ในนี้เขาใช้คาว่าเป็นปรามเ พ, พ, พรานะพรหมกับปรามในความหมายมันถึงกันพรมมัญญาคือเป็นเป็นปรามสามัญญาคือเป็นสมณะศักดิ์มันคล้ายสามัญญาลักษณะแต่หมายถึงสมณะที่สามัญญาเนี่ยที่กลายเป็น ชื่อที่ชาวบ้านก็เรียกอูวินยะชื่อวินยะเหมือนกันนะเหมือนใครไม่รู้ที่ประเทศเราเที่พม่าดังมากที่เคยเอารูปมาแจากท่านชื่อตัวท่านอูวินยะอุวินยะแต่ชื่อที่คนเรียกทั่วทั่วไปจะเรียกว่าตามัญยะเนื่องจากว่าพมา่าเนี่ยเขาออกเสียงสอเสือเป็นต่อเต่าหมดมัญยะก็คือสามัญยะ เท่ากับเป็นคำเรียกหมายถึงอริยะซึ่งในที่นี้หมายถึงอลาหันเลยครับคนอื่นเรียกนะท่านไม่ได้เรียกตัวเองเวลาเขาพิมตามลูกมันจะเรียกว่าตามัญยะดอสยาดอสยดอคืออาจารย์ท่านอาจารย์ดอก็คือประเสริฐตามัญยะดอสยาดอทันครั้งมากก็ ก็อย่างว่าเขาเรียกเป็นอหรหันต์ก็จะเป็นจริงไม่จริงนี่รับรองอะไรไม่ได้แหละครับถามว่าทําไมถึงว่าเป็นอหรหันต์ก็ตอบไม่ได้อ่ะไม่รู้ก็ เ, เป็นเรื่องความนับถือแต่ว่าความมีพลังพิเศษท่านเนี่ยท่านมีพลังมากอ่เลยเล่าแทงนิดนึงกัได้ว่าผมเคยเล่าว่าท่านเคยบวชพระเนี่ยพระที่ไปขออยู่กับท่านเนี่ยเยอะก็บวชทีตั้งห้าสิบลูกซึ่งผิด โดยวินัยไม่ถูกนะเนี่ยก็มีพระฝ่ายปกครองที่เป็นพระมีความรู้คงแก่เรียนอยู่ที่ล่างกรุงเนี่ยก็ขึ้นไปเพื่อที่จะไปปรับมาบัตท่านว่าทํางี้ไม่ถูกเพราะว่าท่านตามายาท่านไม่ใช่เป็นพระนักศึกษาพอกลับมาถึงล่างกรุงปรากฏรดกระดูกหักขาหักก็มีผู้บอกว่าเทวดาที่เป็นลูกศิษย์ของท่านเนี่ยโกรธหาว่าไปล่วงเกิน ก็เลยมาทำไปกระดูกขาหักเลยท่านก็เชื่อเหมือนกันนะทหัหมายถึงท่านเป็นพระผู้ใหญ่ที่ดูแลบอกว่า ก, ก็เชื่อแต่ว่าท่านก็ทำไปตามอำนาจการปกครองก็ไม่รู้ไปขอสมาราโทษอะไรกันหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องของความขลังความศักดิสิทธิ์อะไรไปลักษณะอย่างนั้นส่วนคุณความเป็นระยะหรือไม่อย่างไรเนี่ยใครก็คงจะรับรองไม่ได้ แอบว่านี่เราเราพูดกันโดยหลักการคือใครที่บรรลุเป็นพระอริยะซึ่งกําหนดตั้งแต่โสดาบันขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าสามัญญะทางนั้นเป็นอรหันต์ก็เรียกว่าสามัญญะแต่ในสูตรเนียหมายเอาพระถึงขั้นอรหันต์ท่านจึงได้กล่าวว่ามิได้กระทําให้แจ้ง ก็ไม่ได้ทำให้แจ้งโดยปัญญาซึ่งประโยชน์ประโยชน์ตรงนี้หมายถึงประโยชน์สูงสุดหมายถึงประโยชน์สูงสุดคือประโยชน์ขั้นนิพานนั่นเองครับแล้วคำว่าด้วยปัญญาอันยิ่งเองคำพูดพวกนี้มีความหมายทางนั้นแะครับคำว่าด้วยปัญญาอันยิ่งคืออธิปัญญา หมายถึงอรหัตมรคปัญญาเป็นอย่างสูงเองหมายถึงด้วยตนเองของตนเองไม่ใช่ปัญญาคนอื่นในปัจจุบันหมายถึงปัจจุบันขณะนั้นในชาตินั้นมีปัญหาที่เราน่าจะซักซ้อมความเข้าใจนิดหนึ่งว่าคำว่าประโยชน์ปัจจุบันอรหัตมรค อาราธผลนีถือเป็นประโยชน์ปัจจุบันหรือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ได้ในปัจจุบันอาการนะประโยชน์ที่บ่าประโยชน์ปัจจุบันในความหมายหนึ่งเนี่ยมันหมายถึงเบนจา ก, การมาคุณอารมณ์ที่บุคคลได้ด้วยความพยายามใดๆในชาตินี้ เป็นจตการมาคุณอารมณ์ที่บุคคลได้ในปัจจุบันชาติเรียกว่าที่จะทำนิกิตาประโยชน์ในความหมายนะฮะความหมายหนึ่งแล้วก็เป็นจาการมาคุณอารมณ์ที่บุคคลได้ในชาติหน้าเรียกว่าสัมปารายิกาตาประโยชน์ส่วนมรรคผลนิพพานเนี่ยจะได้ในชาตินี้ก็เป็นปรมัตัประโยชน์จะได้ในชาติหน้าก็เป็นปรมัตัประโยชน์ ในที่นี้ท่านบอกว่าเป็นปรมัาถประโยชน์ที่ได้ในชาตินี้คือปัจจุบันจึงใช้คาว่าปัจจุบันเข้าถึงอยู่ในตอนต้นของสูตรนี้พูดถึงเหตุไม่เป็นสมณะคือใครไม่ได้บรรลุอริยสัจสี่ก็ไม่ได้เป็นสมณะในความหมายโดยปรมัติ ในท่อนหลังของสูตรนี้ก็กล่าวกงกันข้ามว่าใครที่ได้บรรลุอริยสัจสี่ผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นสมนากรามโดยปรมั ต, ติก็กงกันข้ามกันไม่ต้องอธิบายเราผ่านไปดูสูตรที่สองเลยกันลวกันสูตร ที่สองที่ชื่อว่าทุติยสมณะปรามนาสูตรที่แปลว่าเรื่องสมณพราหมณ์ที่สองว่าด้วยเหตุแห่งความไม่เป็นสมณพรามหมณ์เนื้อหาหลักนั้นเหมือนกันอ่านสักหน่อยครับพระผู้มีภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเจตวันเมืองสาวัตถีจัดเรียกพิสูจนทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งไม่รู้จักทำเหล่านี้ ไม่รู้จักเหตุเกิดแห่งธรรมเหล่านี้ไม่รู้จักความดับแห่งธรรมเหล่านี้ไม่รู้จักปฏิปทาที่ยัยถึงความดับแห่งธรรมเหล่านี้อันนี้เป็นจุดต่างของสูตรก่อนกับสูตรนี้ก็อยู่ตรงที่เนื้อความตรงนี้แหละครับเนื้อหาหลักแล้วเหมือนกันเนื้อความของสูตรก่อนนั้นเข้าเนื้อหาเลยคือหมายถึงยกชลาและมรณะขึ้นมาเลยแล้วจึงแสดงไปถึงองค์อื่น แต่ในสูตรนี้ทรงกล่าวด้วยข้อความว่าทำเหล่านี้ทำเหล่านี้แล้วจึงแสดงว่าทำเหล่านี้คือทำเหล่าไหนาทำเหล่านี้ได้แก่ไม่รู้จักชรลาและมรณะเป็นต้นเนือความอื่นก็เป็นอ่นว่าเหมือนกันก็แสดงว่าการแสดงธรรมมุติจารมติก็มีการยักย้ายความหมายยักย้ายถ้อยอคํา ในส่วนเบื้องต้นบางถามกลางบางที่สุดของเทศนาบ้างตามความเหมาะสมตามเหตุผลที่บางทีเราก็เข้าใจได้บ้างมันก็จะได้บ้างครัอที่ผมจะอธิบายชี้ให้เห็นเป็นทางลึกลงไปเป็นพิเศษออกไปจากสูตรก่อนเนี่ยก็คือ องสิบสองของปฏิจจสมุปบาทที่ทงแสดงโดยรูปของอรเลสัตสีคือทรงแสดงเพราะเหตุใดอย่างไรคือเรื่องอรียสัตสีนี่ถือว่าเป็นแม่แบบที่สำคัญคนจะ ทำวิปัสนาด้วยอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ต้องออกมาในรูปอริยสัจส์่ให้ลึกได้เลยนะพิจารณาได้เลยว่าเช่นบุคคลจะเริญนเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานสี่ชั้นต้นแม้จะไม่ได้คิดในเชิงอริยสัจสีว่าเวทนาเป็นทุกข เวทนาเกิดจากอะไรจะดับเวทนาได้ด้วยอะไรที่ไหนเป็นที่ดับเอปฏิปทาดับเวทนาคืออะไรการที่ไม่ได้ตั้งต้นด้วยหลักความคิดอย่างนี้นะเรียกว่าไม่ได้จเจริญวิปัสนาด้วยเอาอริยสัจสี่มาเป็นบัพถ้าจเจริญอย่างเอาวิปัสนาเอาเอาอริยสัจสีมาเป็นบัพเนี่ยก็ยกขึ้นมาเลยว่าอะไรเป็นทุกข์ เอามาเป็นอารมณ์เลยฮะอารมณ์พิจารณาอารมณ์ ม, มนติการอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นอะไรเป็นที่ดับทุกข์อะไรเป็นปฏิปทาเรื่องความดับทุกข์นี่เรียกว่ายกขึ้นมาเป็นอารมณ์ใครที่ยกหลักของอริย ส, สัจสีในยะของอริย ส, สัจสีมาเป็นที่สำคัญหมายในการกำหนดรูชื่อว่าทมวิปัสสนายอย่างกำหนดอริย ส, สัจสี เป็นบับเป็นอารมณ์แต่ใครที่กําหนดเวทนากําหนดจิต ท, ที่ไม่ได้ตั้งหลักตั้งแต่แรกว่าจะดูเหตุดูผลในรูปอริยสัตตรีชื่อว่าไม่ได้กําหนดอริยสัตตรีเป็นอารมณ์ตั้งแต่แรกไม่ได้มีอะไรอริยสัตตรีเป็นบับของการกําหนดนี่นี่คือความต่างแต่ในความเหมือนก็คือว่าเมื่อกําหนดไปแล้วเนี่ยมันจะต้องเข้าที่เป็นรูปอริยสัตตรีเหมือนกันทั้งสิ้น เออพอเราพิจารณามาถึงวันนี้เราก็นึกว่าเออถ้าอย่างงั้นก็น่าจะเริ่มมันเป็นอริยสัจสี่ตั้งแต่ต้นเลยไม่ดีเลยมันจะได้เข้าที่ง่ายหน่อยเพราะยังไงก็ต้องไปเข้าที่อริยสัจสีอยู่แล้วไอ้ตรงนี้พักไว้ก่อนเราพูดให้เห็นว่าถ้าคนทําจิตตางี้นะกําหนดจิตว่าจิตมีอะไรเป็นยังไงก็ดูอย่างนั้นมันเป็นออกมาเป็นรูปอริยสัจสีได้ยังไงออกมา เป็นรูปอริยสัจสี่ได้เพราะการที่เรากำหนดเบื้องต้นจับเป็นอารมณ์พัพเนี่ยเป็นข้ออริยสัจสีไหนทุกใช่ไหมอารมณ์วิปัสนาเป็นอะไรเป็นทุกข์ถือสองขรอเป็นทุกขสัจถูกไหมฮะแล้วยิ่งกำหนดลึกลงไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นทุกชัดเท่านั้นละเอียดเท่านั้น เห็นไปเห็นอานิจังตัวกลังหน้าตางไงนะทีนี้เวลาเรากหมดไปเห็นทุกเนี่ยมันได้แต่ทุกอย่างเดียวมีแต่ทุกอย่างเดียวโดยไม่มีสมุทัยมาเกี่ยวไม่มีอริยศาสตร์ข้อื่นมาเกี่ยวหรือหรือเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวยังไงเกี่ยวว่าเมื่อเราเห็นทุกเราก็จะเห็นหน้าสมุทัยใช่หรือไม่ คือพู้ง่ายว่าเห็นตัณหาว่าตัณหามันมันจะต้องเข้ามาแซงเข้ามายืดกับการกําหนดของเรามาขัดใจเราเหมือนอย่างเราปฏิบัติแหละขัดใจเราตลอดเวลามาถ้านน้นถ่านนี้มาบ้างน้อยบ้างตัณหาเข้ามาขัดเราจะเห็นทันทีว่าไอ้นี่เป็นของไม่ดีไอ้นี่ตัณหามันจะเห็นเองแล้ว นี่เราพูดตามอาตามจะตามความรู้สึกของตัวสติที่เป็นตัวกําหนดเนี่ยนะตัววิปัสนาที่เป็นตัวคำหนดมันจะตีค่าทุกโดยความเป็นทุกตีค่าตันหาโดยความเป็นตันหาตันหาหน่าเกลียดทุกก็น่ารังเกียจใช่ไหมฮะแล้วตัววิปัสนาเป็นอะไรเป็นมร์อยู่ในเครือมร์เป็นโลกิยะมร์ เป็นการอบรมมรรคาามรรคเบื้องตน้นไปโดยแทบจะเรียกว่าไม่ต้องใส่ไม่ต้องจ้างใจมันก็ต้องเป็นมรรค ก, กาหนดรู้ทุกข ล, ลึกลงไปเท่าไหร่ตัณหาถูกละเหมือนไม่ได้ตั้งใจนะแต่มันมีความตั้งใจอยู่ครับ ที่ผมว่าเหมือนไม่ได้ตั้งใจคือเราถึงเราจะมาจงใจว่าจะละจะละจะละหรือไม่จงใจแต่เราทำเหตุดีมันก็คือเป็นไปโดยอัตโนมัติเพิ่มขึ้นมาคือหมายถึงสติอริยาตติจะเพิ่มกำลังขึ้นมาตามอัตราส่วนของมันและพร้อมกันนั้นใจก็จะโน้มเอียงไปหานิโรธ ก็คนเราก็ธรรมดาอย่างนี้นะว่าเมื่อเห็นทุกข์แล้วเห็นเห็นจิตเห็นเวทนาว่าเป็นทุกข์แล้วมันก็ต้องละดันหาไปโดยอัตโนมัติตามส่วนและที่มาเห็นทุกข์ได้ก็แสดงว่าตัวเองต้องจเจริญภาวนาในฐานะขอความเป็นมรรคได้ตามส่วนจึงเห็นได้และ เมื่อจเจริญมักได้ตามส่วนเห็นทุกละตัณหาได้ตามส่วนใดใจก็ย่อมไปนิยมโน้มไปหานิโรธไปตามส่วนที่ได้นี่คือมันเป็นไปโดยปริยายของมันอย่างนี้นะฮะอันเนี้ยเรียกว่าคนนั้นไม่ได้กำหนดอริยสัจสี่ โดยเป็นบัพของการปฏิบัติแต่ผลที่มันจะปรากฏเนี่ยมันจะต้องออกมาเป็นรูปอริยสัจสี 4. ทีนี้เรามาพูดถึงคนที่กําหนดอย่างเป็นอริยสัจสี 4. อย่างกําหนดในสูตรนี้ปฏิจจ์เนี่ยนะกําหนดชาลาและมรณะชาลาและมรณะเป็นอะไรสัตว์เป็นทุกข์ ชาาและมรณะมีอะไรเป็นเหตุชาติชาติเป็นสมูทยัยเป็นเหตุให้เกิดชาาและมรณะ เ, เดี๋ยวท่านก็จะต้องสงสัยในทางพิจารณาว่าเ อ, อลัตันหาไม่ใช่เป็นสมูทยัยซะแล้วหรือตอบว่าในที่นี้ท่านแสดงสมูทัยอย่างเป็นลําดับชั้น สแสดงสมูทายอย่างเป็นลำดับชั้นอย่างชนิดที่เป็นอารมณ์ของการปฏิบัติในสัจจยมกเวลาสแสดงสมูทายเนี่ยท่านเพิ่งบอกว่าสมูทายเอาข้อจริงแล้วมีเยอะแม่แต่บุญก็ที่เราทําก็เป็นสมูทายนะแต่สมูทายอย่างที่เป็นอาเลสสัตว์เนี่ยเอาตัณหาอย่างเดียว แต่การที่คนจะไปเห็นตัญหาว่ามันเป็นต้นต่อต้นเขา้าสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่หวบภาพไปเห็นนลครับไม่ใช่หวบภาพไปละมันจะต้องเห็นอย่างอื่นที่เป็นเหตุใกล้ๆถ้าท่านให้อารมณ์วิปัสนาอย่างเป็นปฏิจจะเนี่ยท่านเสนอตัวบอกเราในรูปปริยัติเลยว่าอะไรเป็นสมไทัยอย่างใกล้ๆ ที่เราสามารถจะเห็นได้วิจารณาได้เราก็กําหนดเห็นแล้วก็ในระหว่างเนี้ยไอ้ตัวตัณหาที่เป็นอสมุทัยในอริยสัจสี่มันก็จะป้วนเปี้ยนเข้ามาป้วนเปี้ยนเข้ามายังไงป้วนเปี้ยนเข้ามาเหมือนกับที่มันป้วนเปี้ยนเข้ามากับการกําหนดอารมณ์ในรูปแบบอื่นคือ เมื่อเรากําหนดชะลาและมรณะตัณหาป้วนเปลี่ยนเข้ามาไมะป้วนเปลี่ยนเข้ามาป้วนเปลี่ยนเข้ามาว่างไงป้วนเปลี่ยนเข้ามายินดีในออกมาในรูปความยินดียินร้ายในความรู้สึกของเราเนี่ยเอาเราดูให้ให้เห็นชัดเนี้ยว่าเวลาที่เรา นึกถึงความแก่และความตายเรามีความยินดียินร้ายกับความแก่ความตายของเราใช่หรือไม่ถามว่าทำไมเรายินดียิน้ายแล้วทำไมพระอริยยจึงไม่ยินดียินร้ายเพราะไอ ห, หลังฉากของความยินดียินร้ายเรามีตัณหาอยู่ความยึดความอยากทั้งที่เป็นความ แก่ความตายของเราทั้งที่เป็นความแก่ความตายของคนอื่นที่เรารักเราชังมันถึงสะท้อนออกมาเป็นความรู้สึกอย่างชัดๆอย่างนี้ทีนี้เมื่อพิจารณาเข้าไปถึงชาติที่เป็นเหตุใกล้คิดให้เกิดฉลาดและมณะเนี่ยมันก็มีตันหาเข้าไปปวนเปลี่ยนดั้นในชั้นลึกลงไปอย่างการบัลลุอเรยศสัสีก็จะไปเห็นในตันหาที่มันเป็นตัว จริงๆนะตัวหลักเข้ามาปานเปลี่ยนและผู้ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติกําหนดเห็นชลาและมรณะกําหนดเห็นชาติก็จะมีผลไปถึงการละตัณหาที่เป็นสมุทัยโดยปริยายอันนี้เรียกว่าโดยปริยายเหมือนอย่างกําหนดเวทนากําหนดจิตก็จะมีการละไปโดยปริยายอ่ะทีนี้ผมกลับมาเทียบให้เห็นว่า คนกาหนดจิตกาหนดเวทนาเนี่ยละตัณหาที่มันป้วนเปลี่ยนเห็นตัณหาที่ป้วนเปลี่ยนถามว่าเห็นเหตุใกล้ชิดของจิตของเวทนาที่อื่นจากตัณหาเห็นอย่างชนิดที่ทิศดีไม่ได้บอกอย่างให้ตามกาหนดดูอย่างเราจะกำหนดอารมณ์อะไรตามก็ตามแต่ครับมันจะเห็นเหตุนหนในลักษณะใกล้คิดด้วย สัมูัไทยกใกล้คิดทุกอารมณ์ไปเลยแล้วก็เห็นตัณหามาป่วนอยู่ทุกทุกอารมณ์ไปอไอตรงนี้น่ะเวลาพูดออกมาเป็นทฤษฎีแล้วมันชวนสับสนแต่ว่าในทางกลับในทางปฏิบัติเนี่ยกลับไม่เป็นความสับสนเพราะมันมีหลักใหญ่อยู่นะมีหลักใหญ่อยู่ มันก็ไม่สับสนนะแต่ว่าเวลามาขึ้นเป็นทฤษฎีมาสอนเป็นเป็นแผนกแผนกที่มันแลสับสนผมก็ไม่รู้ผมพูดอย่างนี้มันจะสับสนหรือเปล่านะก็เป็นเรื่องที่พูดครั้งเดียวแล้วมันไม่ไม่กระจ่างก็จะต้องค่อยๆพูดไปทีละหน่อยเดี๋ยวหน่อยในสูตรหลังๆถัดไปก็เพราะนั้นว่าการกําหนดเห็น ปฏิจจ์ในรูปอาเลยสัตตสีนี้หมายความว่าโดยความเป็นอารมณ์วิปัสนาชนิดที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงโดยทิศดีให้เดินตามทิศดีอย่างละเอียดแล้วก็เอาในยะของปฏิจจ์ของอาเยศสัตตสีเนี่ย มาให้เป็นหลักพิจาราณาด้วยไม่ได้คิดแค่ว่าอาวิชชาเกิดจากอะไรคือคิดในสายเหตุสายผลตื่นๆ น, น, นี้นะให้พิจารณาครบทั้งสี่เลยเซึ่งการพิจารณาครบทั้งสี่เหล่านี้ถ้าว่าจริงๆแล้วนั้นไม่ใช่บรรลุอริยสัจสี่แท้เป็น ผมเห็นจะต้องเรียกโดยคำพูดในความหมายที่ผมเข้าใจเองว่าเป็นการเอาในของอริยสัจสี่มาใช้กับนามรูปซึ่งเป็นอารมณ์วิปัสสนาเบื้องต้นและจุดหมายปลายทางก็คือเมื่อทําไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะไปบรรลุอริยสัจสี่ที่เป็นอริยที่เป็นของภาริยะอันมีตัณหาเป็นสมูทายแท้มีมักแท้มีทุกแท้มี อย่างอื่นเป็นของแท้อีกทีหนึ่งพูดแล้วอึดอัดนะผมอึดอัดหน่อยมันเป็นเรื่องพูดพันอยู่กับพระสูตรก็จะกรวหมวดกระเหมิดอะไรมาให้มันครอบทั่วทั้งหมดนั่นก็คงจะยังไม่ได้ขอให้ค่อยๆติดตามฟังไปทีละจุดทีละจุดทีละจุดแล้วจะค่อยๆชี้ให้เห็นเองก็เป็นอันว่าสูตรนี้นะเนื้อความหลักเหมือนกัน ในคราวหน้าเนี่ยจะมีสูตรสำคัญที่ผมต้องคัดเลียงเป็นพิเศษเลยชื่อว่ากัดจานะสูตรกัดจานะสูตรซึ่งในพระไตรปิฎกฉบับแปลภาษาไทยเองก็แปลไม่ค่อยเหมือนกันแล้วก็ ถึงแปลแล้วก็อ่านแล้ว้าใจยากผมก็เลยต้องคืนเป็นภาษาบาลีเอามากำกับไว้เพราะถือเป็นศาพท์เทคนิคถ้าได้เห็นบาลีแล้วก็จะอธิบายได้ได้เหมาะใจผมไม่ทราบว่าเข้าแจกนันยังนะแจกแล้วใช่ไหมฮะนั่นอาจจะพูดค่าวหน้าแล้วก็ดีไม่ดีครั้งเดียวอาจจะไม่จบด้วยสาหรับสูตรนี้ วันนี้พอสมควรแก่เวลานะครับผมขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญท่านทั้งหลายได้สงบจิตของท่านให้เป็นภาวนากุศลเพื่ออธิษฐานจิตและเพื่อแผ่ กุศลจิตไปยังบุคคลอื่นอนธิษฐานเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเองแผ่ส่วนกุศลเพื่ออนุเคราะห์บูชาผู้อื่นกุศลลจิตที่เราได้ทำต่อเนื่องกันมาสองชั่วโมงเสร็จในเช้าวันนี้ด้วย ทำมาสวรรใหม่ที่เป็นนิสยกรรมและกุศลอื่นทั้งหมดที่เราได้ทำเอาไว้จริงโดยสัจจะวาจานี้ขอกุศลเหล่านั้นจงบรรดาลผลโดนความสำเร็จไห้เกิดขึ้นแก่ข้าพระเจ้าสิ่งที่ข้าพระเจ้าต้องการ เช่นนี้เช่นนี้อย่างที่สำคัญที่สุดคือเช่นนี้และที่สำคัญถัดรองลงไปขอให้สำเร็จผลแก่พ ร, ระเจ้าโดยเร็วและอย่างเต็มบริบูรณ์อย่างยืดเยื้อยาวนานขอให้พ ร, ระเจ้าได้ถึงพร้อมโดยอุปธิสมบัติ คือสมบัติอันได้แก่ร่างกายและจิตใจอันดีอันประเสริฐขอจงได้เกิดแก่ก ะ, ะเจ้าในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อโภคสมบัติภายนอกที่จะพึงเป็นปัจจัยเกื้อกูลเป็นเครื่องอนุเคราะห์แก่ความดีที่กบเจ้า กำลังทำและประสงค์จะทำก็ขอให้สมบูรณ์ปูนเพิ่มมั่นคงสําเร็จแล้วด้วยทำทั้งการสแสวงหามาก็ขอให้ได้ทั้งโอคะและธรรมะด้วยกันเมื่ อ, อบริหารโอคะเหล่านั้นอยู่เมื่อได้ใช้โอคะเหล่านั้นไปก็ขอให้อาโอคะนั้นจงอย่าได้หมดสิ้นไป ขอให้ทำนั้นจงจำเลิญยิ่งขึ้นไปและขอให้พระบิดาเจ้าจเจริญในธรรมเจริญไปโดยธรรมทั้งในปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทขอให้พระพเจ้าได้มีส่วนเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นให้สําเร็จผลอันน่าปรารถนาอันพึงปรารถนาอย่างที่พระพิดเจ้ามีพระบิเจ้าเป็นด้วยจงสําเร็จผล อันดีไปด้วยกันและขอให้ส่วนกุศลของข้าพเจ้าอธิษฐานของข้าพเจ้าจงบังเกิดผลแก่สรรพษัตย์ทั้งปวงสิ่งใดเป็นความประสงค์เร่งด่วนขอสิ่งนั้นจงสําเร็จแก่ท่านโดยพรขออุทิศส่วนกุศลของพระเจ้าเป็นเครื่องสักการะ แก่สถาบันกษัตริย์ทั้งที่ทรงพระชนอยู่และที่เสด็จสวรรคตไปแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้กษัตริย์และพระพยุรยาตผู้ทรงทรรมเหล่านั้นจงได้อนุโมทนา ส่วนกุศลอันเป็นเครื่องบูชาของกระพเจ้าและขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้อุดหนุนพระพุทธศาสนารักษาประเทศชาติและพลเมืองให้มั่นคงอยู่เย็นเป็นสุขสืบต่อไปชั่วกาลประวัติศาสเพสัตาอเวลาอัพยาปัจา อา น, นีขาสุขีอัตานังปริหารันตุปิดประชุมทานทีครับ